เรื่องยาดองโลนะโสวีรกะ273สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคลมในท้องจึงดื่มยาดองโลนะโสวีรกกะโรคลมสงบลงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุไข้ฉันยาดองโลนะโศวีรกะได้ตามสบายแต่ผู้ไม่เป็นไข้ต้องเจือน้ำฉันอย่างน้ำปานะ